เป็นปราศาสตร์ของนั้นทิยมามนุษย์นั้นทิยมามนุษยังเป็นมนุษย์อยู่ขอให้พระคุณเจ้ากลับไปสู่มนุษย์บอกให้สลักพาชนะดินมาถือเอาพาชนะทองพระปราศาสตรพออยู่แล้วนี่เป็นคําบอกเล่าของพวกเทวดาแก่พระโหมดพลานะพระโหมดพลานะกลับมาสู่มนุษย์ ว่าพุทธบริษัทไปชุมนุมกันกราบทุนพระพุทธเจ้าว่าคนยังไม่ตายมีปราสาดิมนันคอยอยู่มีไหมพระพุทธเจ้าว่าเธอลงมาในเี่ยนี้มาถามเราทำไมว่าเธอเห็นมาแล้วอย่างปราสาทของนั้นที่ยะมานกพระพุทธเจ้าว่าอาศัยเหตุนี้นำธรรมม า, มาสแสดงแก่พวกพุทธบริษัท พุทธวณญญาณได้สรับรับฟังพอเกิดศรัทธาภาษาทะอยากจะกระทำบุญสุนทานอยากไปเทเป็นเทวดาเทวบุตรกันเพราะเหลือ่อมใสเต็มใจบัททำไปแล้วไม่เสียหายนี่เรื่องของเทวดาผิดแตกแตกต่างกันกับมนุษย์เราใครไปเกิดคนนั้นจะไม่เลยมีการแสวงหาสมบัติภัศฐานเข่าของต่างๆ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 เทว ด, ดาจึงเป็นผู้สวยผลของบุญไม่ใช่เป็นต้นเหตุเหตุที่จะเป็นเหพุพบุตรเหพุพิดานั้ก็เพราะอาศัยมนุษย์ผู้นัน้นใจบุญสุนทานทำการกุศลในนิ่งนอนใจยอมทำสิ่งที่ตนเห็นว่าจะได้าสาระประโยชน์จากการทำของตนคนเรา เมื่อเชื่อเรื่องของกรรมทำตามโอวาทของพระพุธทธเจ้าคนนั้นจะได้รับผลรับประโยชน์ในปัจจุบันทันตาและข้างหน้าเมื่อยังเรียนว่าตายเกิด อ, อยู่ในวัฏสงสารจะไม่อดยากยากจนเกืดอำ น, นาจบุญกุศลติ่ตัวสะสมเอาไว้ไปสถานที่ใดจะเกิดพบน้อยพบใหญ่บุญกุศลจะติดตามตัวไปเหมือนเงา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 บางผูกบางคนจนเอาไปทิ้งแต่เด็กนั้นไม่ตายยังมีผูกนำมาหาพ่อแม่อีกนี่คือกรรมชั่วมันยังมีแต่ก็โง่เง่าเตาตุมไม่ทราบจะทำอะไรการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอทา่านไรทางทรัพย์อับทั้งปัญญา จั บ, บต้มแบบอะไรก็ไม่มีปัญญาจะคิดอ่านกับปรุงตัวให้ดีก็ไม่มีอยากจนเขินใจอยู่อย่างนั้นกระทั่งวันตายนี่คือคนที่ไม่มีบุญกุศลถึงเป็นคนเหมือนกันก็ผิดแตกแตกต่างกันอย่างนั้นนอกจากนั้นโรคไข้ไข้เจ็บกเบียดเบียน อ, อ, อดอดแอะแอถึงมีเข่าของเงินทองมานิดหน่อยเล็กน้อย ก่จำเป็นจำไปได้ไปหาอยุคหายามารักษาหมดเข้าของเงินทองไปต่างกายต็าหายดีขึ้นพัวมีกำลังที่จะแสวงหาเข้าของได้อีกตัวมีอันเป็นอันไปอีกเลยตั้งเนื้อตั้งตังตวไม่ได้นี่คือกรรมไม่เคยทำบุญทุนทานมาได้รับความลำบากทุกคนในศาถนา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 สะสมคุณงามความดีเอาไว้ถึงจะนิดหน่อยเล็กน้อยก็อยากไปประมาท ก, กับความดีนั้นจะไม่เหตุผลความนิดหน่อยนั่นแหละถ้าหลายครั้งหลายหนก็จะเพิ่มมากขึ้นการให้ทานของคนทุกยากเขียนใจยอมเสียสละจริงจังถึงของนั้นจะไม่มีคุณค่าก็่มีคุณค่าสาหรับเขาเพราะเขาอดเขาจน เขาทุกเขายากยอมเสียสละจริงจังถึงตกออกหล่นออกไม่ใช่เป็นของ ง, ง่ายง่ายแต่คนร่ำรวยในทานมากม า, หายหลายหลวงของเขายังเหลืออยู่ก็ไม่อดอยากทุกอย่างอา น, นิสงส์จึงผิดแตกแตกต่างกันด้วยอานาจการเสียสละภายในด้วยจิตใจยอมเสียสละหนักแน่นต่างกัน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 สมบัติพระสฐานของเรามีมากมายหลายหลวงขนาดนี้เราจะเสียสลักให้ทานทั้งหมดแต่มาคิดอ่านถึงสมณพราหมณ์ผู้ที่จะเป็นเนื้อนาบุญนั้นไม่มีมีแต่คนทุศีนมีแต่คนธรรมดาหาผู้ที่จะเป็นเนื้อนาบุญไม่มีแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราจะให้เราจะออกการให้ของท่าน หากท่านไนโกหกพกลมเอาไว้ตามตำรับตำลาล่ามมากมายหลายหลวงถ้าจะเทียบเข้าของเงินทองในประเทศไทยยังสู่รมบัตของท่านทีเสียสละให้แก่ผู้คนในสมัยนั้นไม่ได้ของของท่านคนเดียวมีมากกว่าของในประเทศไทยจะเทียบคิดได้ถึงเรื่อง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 เข้าของยัดเต็มแน่นให้ทานไปตั้งแปดหมืนสี่พันใบช้างก็8นแปดหมืนสี่พันตัวมาวัวหรืออะไรต่างๆให้ทานไปมากหาก จ, จะมาคิดแล้วเข้าของที่ให้ไปมากกว่าของในประเทศไทยสมัยปัจจุบันทั้งประเทศเมื่อท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าที่ารณาการทำบุญสุนทานมา ที่ได้มาสอนพุทธบริษัทกวิเจยะธานังนาตะ บ, บางยะถาดินังมหาพลังท่านได้ยกเอาเรื่องอันนี้เราเป็นเวลามาทามสมัยนั้นได้ทำบุญทุนทานมากมายขนาดนั้นอา น, นิสงส์ที่เราให้ด้วยไม่มีเหนือนาบุญอันดีเราให้ทานมากมายขนาดนั้นเท่ากันกับให้ข้าวก้อนเดียวกับผ้าโสดาเท่ั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 ที่มันไม่เหมาะสมกับที่พ่อปู่ชั้นใดคนให้ทานทำการปุศสนผู้มีสติปัญญาจึงเหลือกเฟ้นสแสวงหาทำในที่ตัวเชื่อมั่นว่าจะเป็นบุญเป็นปุศลนกันคนชนิดนั้นในค่อยพาาดคอยผิดมักอยากจะได้ตามความมุ่งมากกาถนาของตนแต่ก็ยากอยู่สำหรับปุทุชน เพราะตาของเรามันเข่ากับจิตเล็ไม่ค่อยจะคิดลึกถึงอาจถึงทำาทาบุญเลือกหน้าในเป็นบุญเป็นกุศลเขาก็ว่ากันไปในสมัยปัจจุบันถ้าเลือกบุคคลเขาเธอว่าผิดให้ไปด่าไปเรื่อยๆจะเป็นใคร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 แต่ยังอาศัยเพราะถากขันของฉันยังอยู่จึงเลือกดูเลือกหาคนทําไร่ทํานาเขาดูต้นไม้ใบหญ้าที่ดินดีต้นหญ้าต้นไม้มันบอกที่ดินไม่ดีต้นหญ้าต้นไม้มันก็บอกอีกเหมือนกันนี่พระที่ศึสษามเมเนทุมีปัญญาอพอแสวงหาว่าเป็นอย่างไรสมควรหรือไม่ เราจะให้อะไรไปจะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นกำไรในการกระทำของเราต้องไข ค, คิดที่นี่ที่ใจนาเพราะวัตถุเข้าของเงินทองที่เราได้มาหามายากลำบากได้มาโดยความบริสุทธิ์โดยความทุกข์ยากโดยหยาดเหี่ยของเราไม่ใช่เราได้มาอย่างสะดวกสบายเราทาไปโดยไม่ไขคิด ทิ่เจอนะมันกดเสียหายเราไม่ทากฎหมายก็ไม่บังคับเราทํากฎหมายก็ไม่บังคับเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะทําได้ชอบที่ไหนไปทําได้เพราะเข้าของเราได้มาด้ยวยความบริสุทธิ์ทางกฎหมายก็ให้เป็นกรมสิทธิ์ของเราเราจึงเลือกคัดจัดหาที่สมควรแจก ทรัพย์ของเราแจ่สมบัติของเราได้สะดวกสบายแต่เราจะไปทำที่ไหนจะเป็นผลเป็นกำไรเป็นเนื้อนาบุญของเราอย่าไปถือว่าควา่ควงคว้อนเลยมาม่งอะไรทํานองนั่นที่เขาพูดกันไปภาษาสมไยใหม่แต่ความจริงพระพุทธเจ้าให้เหลือกให้สแสวงหาสถานที่ใดสมควรให้ทำไป นี่ไม้ถึงผููที่เวียนดายตายเกิดในวัดจ่าทงสามจะต้องอาศัยผลทานผลศีลของตนบารุงรักษาให้รับความสะดวกสบายไปในภพครั้งหน้าถ้าหาผูู้ที่ท่านหมดกิเลสตัณหาหมดภพหมดชาดภายในใจก็ไม่มีอะไรที่จะไปสะแสวงหาอีกท่านทราบท่านใจภายในขัน้นแต่ที่จะเป็นไปอย่างนั้น ก็ออาศัยปามารถถมัดฐานภายในใจของท่านยอมเสียสละตาหูเจะหมูกลิ้นกายใจไมใ่ใครคิดยินดียินรไายในสิ่งเหล่านั้นทำจิตของตนให้มั่นคงทำปัญญาของตนให้รู้เห็นขับไล่ใสส่งกิเลสตัณหาานาหน้าิอาวิชชาอุปาทาน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 ใน ม, มีการรักษาศีลน ม, มีการภาวนานั่นก็ถึงบ้านไม่ได้แต่ว่าขานมันต่าบันไดขันต่แเราจะไม่เหยียบขึ้นเราจะมาขึ้นขันสูงทีเดียวมันก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นมาตามระยะขันจิตใจของพวกเราขานก็ททำนองเดียวกันต้องศึกษาหาความดีความดีทุกสิน่นทุกส่วนที่เราสะสมอบรม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 เรามีแต่เราคนเดียวจะไก้ก่อสร้างทําอะไรอีกก็ลําลบากยากเย็นกว่าจะเป็นบ้านเป็นช่องมันลําบากฉะนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนก็ไม่ทราบว่าตนของตนจะเกิดในตระ ก, กูลใดกรรมตกแต่งมาให้มาเกิดในตระ ก, กูลที่ต้องเกิดนั้นนั้นมาเกิดมาแล้วถ้าไปลุ่มหลง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 แต่ถ้าว่าก็ได้ไปด้วยอำนาจพลกรรมที่ตัวไม่ได้กระททำเอาไว้เมื่อไม่มีความดีก็จะต้องไปสู่ความชั่วนี่จิตอยู่ในวงของโลกของการเรีนยนได้ตายเกิดเป็นอย่างนั้นมันลำบากลำคาญหากไม่ไม่คิดอ่านไม่แจ้ไขตัวเองควรจะปรับปรุงบารุงอย่างไรให้สนใจศึกษาให้พิจารณาให้แน่นอน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 เป็นอสุรกายสาธิตฉานก็ไปได้จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้จะไปสวรรค์พรหมโลกก่อได้หรืออยากจะไปนิพพานก็นได้ในตัวของมนุษย์คนเดียวสามารถที่จะไปได้ทุกแห่งทุงหนแล้วแต่เราจะปรับปรุงเราให้ไปทางไหนแล้วจิตใจปัจจุบันนี้มันไข่คิดติดตามเรื่องอะไรตกไปในเรื่องของมนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์หรือเป็น ทา น, นีรเจ้าเลือลองปปลาาเป็นศาสตร์พิรฉานเศษอสุรกายตรวจดูจิตของตัวถ้าจิตชั่วจิตเสียไม่มีฮิริโอตตะปะเกิดมากเกิดเพิินไปตามกิเลสตัณหาอยากอยู่ก็อยู่อยากกินก็กิน <c oughs> ไม่เหลือคำนึงคำนวลถึงบุญถึงกุศลนอนก็นอนแบบสัตว์นอนไม่มีการกราบการหว นั่งก็ไม่มีสติสตังคิดไปตามเหลื่องของกิเลสตัณหาจิตปรุงใจไม่มีอาธิธรรมถอนตัวคนแบบนั้นรูปร่างกลางตัวก็เป็นมนุษย์แต่สัตว์ของเขาชั่วแต่จิตเขาเขาชั่วเหมือนสัตว์พอเกิดมามีแต่แผลงหาอยู่ห้าชิน้นเกิดเพื่อนไปตามเหลื่องกิเลสตัณหาสูดพันธ์กันไปเท่านั้นควรจะคิดหาทางดีวิเศษไม่มี คนแบบนี้จึงเป็นคนสัตว์ติทธฉ า, าไในเสีคนดีวิเศษหาง่ายเหมือนหินทายไปเกาะเปอที่ไหนก็หัวได้จิตใจของคนทั่วไปมันอยู่ในทางที่ตับเป็นมนุษย์แต่กายแต่จิตเป็น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 น้อยขนาดเราแย่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นตาก็ยังหลงตามกิเลสตัณหานับไม่ได้เราหลอดมาพ้นมาจากอำนาจของกิเลสตัณหาปกครองนับกว่าเราประเสริฐเราวิเศษแต่ความประเสริฐวิเศษเียงแค่นี้อย่าไปเต็มใจพอใจความดีความเลิศประเสริฐวิเศษยิ่งกว่านี้ยังมีพยายาม ทีนี้พี่เจยนะพยายามปฏิบัติให้ใจองตนเกิดความสว่างสวัยให้ใจองตนละถอนชีิเลสนีเรื่องกำไรของความเกิดเราเกิดมาเพื่อหาคุณงามความดีมาค้ามาขายหากำไรในชีวิตจนถึงที่ฝุกมี ม, มุติเมื่อใดเมื่อนั้นแหละจะตายใจนอนใจได้ แต่ยังรียอันด่ายตายเกิดว่อยากให้ไปตกที่ทุกอยากลําบากที่ไม่สมปรารถนาของตนพยายามอบรมแนะสอนตนคนจีไก่ทิ่ติ ด, ดตามเรื่องของธรรมแนะสอนตนคนนั้นจะไม่ผิดหวังในการสั่งหน้าจงพยายามทีนี้พี่เจริญนาทานทําให้คนร่ํารวยเข้าของเงินทองเกิดมาในพวกชาติต่างๆ ใจไม่ อ, อดอยากอยากจนเพราออำนาจบุญกุศลคือทานที่สร้างเอาไว้ศีลทำให้คนนั้นมีกายบริสุทธิ์เฉลยสดงดงามไม่มีโรคใครไข่เจ็บเบียดเบียนบีบังคับอยู่อย่างสะดวกสบายพราออำนาจศีล่เรารักษาภาวนาทำให้จิตใจของคนนั้นเกิดเฉลียวฉลาด สามารถคิดอ่านอะไรต่างๆเข้าใจของแท้ตามเป็นจริงทั้งสามอย่างเป็นห้นทางของมนุษย์ที่ควรประพฤตปฏิบัติให้เป็นกำไรในการเกิดข้องต้นแะนั้นทุกคนเมื่อได้สระดับราบฟังจงนำไปที่นิพิจารณาศึกษาต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติก็จะมีแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องควรเสียเวลาอาวง